นโมทัสสะพังโวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะงวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะงวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระหัต์ตรัสรู้เองโดยถูกทวน พระองค์นั้นกรรมสะโกมิกรรมดายาดากรรมโยนิกรรมะบันทุกรรมะปฏิจรณายังกรรมังกริันติกัลยนังวาปาปกังวาตัสสะดายาดาภวิสันติอิมัตสะธรรมะปริยายาสะอัทโธซาโยสมันเตหิสักกัจจัง โสตบโบตี <c oughs> พวกเราเป็นผู้มีบุญวันนี้ได้ อ, า, า, อ า, าลาษฐนาครูบาอาจารย์มาจังหันเนีมาทําบุญนั่นแหละความดีบุญก็คือความดีชื่อองค์ความดีกุศลชื่อองค์ความฉลาดเนี่ยจิตที่เราฉลาดนั่นแหละฉลาดก็ฉลาดในจิตนั่นแหละไม่ใช่ดินน้ําไฟลมฉลาดเนอะเขาก็เป็นอบัยกฤตเป็นกลางๆงไม่ดีไม่ชัว่ว อัจกฤตยกริจิตของเราเนี่ยแหละที่คิดดีคิดชั่วคิดเป็นกลางๆ ก, ก็อยู่ที่จิตเรานี่แหละบุญบาปก็อยู่ที่จิตนี้เวลาจิตเราฉลาดเราได้ยินพระธรรมคําสอนพระเจ้าแล้วก็ทําตามอาอราธนานิมนุษย์ผู้เพื่อประโยชน์ดีอยู่ในศิลนธรรมนั้นมาจังหันก็คือมาทําทานนั่นนหะทานวัตถุเอาน้ำประทานอาหารเมือที่วนหน้ากิ ต, ติได้พูดไปแล้วคนให้ทานนั้นก็มีอนิสงส์ อีกอย่างห้าอย่างอกไปก็ว่าไปนั่นละทีนี้รักษาศินกันนี่แหละได้ประกาศไปแล้วก็รักษาสมบัติของเราเนี่ยไม่ทำทุกข์โทษน้อยใหญ่มาใส่กายวปใจใจอันเป็นที่รักของเราเนยเราฉลาดเราป้องกันไม่ทุกข์โทษเวไภัยมาเกิดขึ้นในกายในวาใ น, ในวาจานในใจของเราเนี่ยเราก็ต้องไม่ไปไ ป, ไปพฤ้นปฏิบัติ จะไปกระ ท, ทําถึงไหนพระเจ้าทรงห้ามทรงสอนแล้วทรงบอกแล้วทรงเตือนแล้วให้เราต้องตั้งใจงดเว้นฝืนอย่าตามอารมณ์อย่าตามใจออกใจกิเลสเป็นใหญ่เอาทําเป็นใหญ่ถ้าเราทําเป็นใหญ่เราก็จะแค้บขาดปลอดภัยอืมถ้าเราไม่ถ้าไม่ไม่เชื่อคําสอนพระเจ้าแล้วตื้อฝืนไปตามอารมณ์เราตามกิเลสเราแล้วไปทำเหตุไว้แล้วถึงเราไม่อยากได้มันก็ต้องได้ กุชลาธรรมาอากุชลาธรรมากุศลเราเป็นผู้ธรรมะดิอกุศลเราไม่ผูธ้ธรรมะธรรมะเราดได้แหละแต่เราไม่เข้าใจกฎธรรมชาติที่ว่านี้ไงมันปุกพันธ์ไงที่ขึ้นบาหลีเมื่อกี้เนี่ยกรรมัสกโกมหิหรลอว่างไงมันคือบาหลีแปลเป็นไทยว่ากรรมเป็นของของตนเห็นไหมว่าเป็นของผู้อื่นเนี่ยเป็นของตนเนี่เนี่ยมันทําทานก็เป็นของตนศีลก็เป็นของตน ืรส ม, มาิก็นี่ทําอยู่นี่ก็เป็นของตนอปัญญาพิจณาก็เป็นของตนวิมุตติหลุดพ้นก็จะเป็นของตนไอ้บรู้แจ้งตารที่พระเจ้าสอนแล้วปล่อยวางได้แล้วเห็นไหมแล้วไม่ใช่เป็นของคนอื่นเด้นั่นแหะอัตติอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนเวลาสอนเนี่ยไม่ใช่เป็นเพึ่งคนอื่นตลอดเวลาหรอกให้ว่าพึ่งของตนและทีนี้ให้รู้กฎอีกกรรมดายาดาเนี่ยมันเป็นทายาทต่อเนื่อง นี่เราก็ไม่เข้าใจไงโรกทุกบันนี้น่ะเขยันทาแลกกัแล้วกันไปเออไม่คิดว่ามันจะมีผลตามมาไม่รับรู้ไม่พิจารณาเออถึงเหล่นี้ถิงเหล่นี้พระเจ้าสอนในพิจาญนาในพิณาเปเจอร์เอกเห็นไหมล่ะให้พิญนาว่าไงทุกๆวันตั้งปัญหาถามทําไมต้องพิจารณาทุกๆวันมาต่อยมีแคตเต้ทุกๆวันเพราะว่าให้มีสัมมาทิฏฐิให้มีความเห็นที่ตัวเองเห็นชอบ ตามความเป็นจริงถ้าตราบใดที่ตัวเองไม่เห็นกฎธรรมชาตินี้ตามความเป็นจริงแล้วตัวเองนั่นแหละจะมีปัญหาตัวเองอไม่รับผิดชอบชักเดี๋ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของข อ, อนานวันก็ลืมแต่กรรมมันไม่ลืมเนี่ยมันไม่เห็นก็ต้อง ม, ม, ม, มีผลตามมาพังได้ผลเราไม่อยากได้ฮะพรเจ้าของลืมแล้วพราะไม่รู้กฎธรรมชาติเหล่านี้จริงต้องมาฟังผู้ที่คนรู้ เรื่องรู้แจ้งโลกนี่กฎ ธ, ธรรมชาตินี้เรียกว่าพิจารณาตามพิจารณาตามแล้วเข้าใจแล้วทีนี้จะมาสำรวมระวังรักษาอย่างที่อธิบายไปแล้วเนี่ยผู้พื้นให้แล้วนั่นเนี่ยวาเนี้จะเกิดเนี่ยกรรมวันภูรเรามีกรรมเป็นเดินเกิดอะเกิดสุขเกิดทุกข์เราเนี่ยมีบทบาทเราเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมเป็นผู้กระทาไว้อะอย่างที่ว่านี้เกิดสุขเกิดทุกข์ถ้าเราทําเทศสุขมันก็สุขอย่างที่เรามาทําอยู่ในขณะนี้ให้ทานารักษาดินภาวนานนเนี่ย อันนี้เป็นสัจจะอันนี้เป็นเหตุผลที่ดีเป็นมรรคเนี่อันนี้จะทําให้เราถึงของหนทางถึงความบริสุทธิ์สัตา น, า, านังวิชุดียาเนี่ะถึงยังไม่ถึงที่สุดในขณะทําให้ก็มีความสุขเรื่อยๆไม่มีทุกข์มีโทษเพราะเราไม่ได้ผลิตก็เป็นการตัดบาปตัดกรรมไปในตัวเนี่ยการตัดบาปตัดกรรมเนี่ยตัดคนมีสิติปัญญาเพราะตัดกันอย่างนี้ไม่ใช่ไปหาหมอดูมอดเดาคนทะดลาะข้อทะเลานามตัดบาปตัดกรรม เรียกเอาทรัพย์มาเงินน่ะอันนั้นมันเขาไม่รู้จริงรู้แจ้งเพราะไม่ได้มาบอกมาสอนเนี่ยเราทำจริงที่มันถูกต้องตามหลักสักจจะและเหตุผลแต่พระเจ้ามาสอนเราให้มังกรมาเว้นตามหลักของสัจจะและเหตุผลนี่นเนี่ยไอ้คาชั่วนะเราอย่าไปทําีำความดีก็ทําทไว้อย่างที่ว่านี่แหละอันนี้แล้วก็เห็นเองเราทําแล้วเห็นไหมเรามีความสุขใครๆก็รู้ข่าวแล้วก็มาร่วมมาจอยมามาสัมพันธ์กับเราได้หมด แต่ถ้าความชั่วใครมาไม่เอี่ยวมาส่วนร่วมเลยเดือดร้อนหมดเด้ทุกขึ้นทันทีเด้เดือดร้อนขึ้นทันทีเด้ปิดกฎหมายขึ้นทันทีเลยติดคุกติดตารางกูเลยเลยอันนี้ไม่มีบอกใครไปก็ได้ใครก็ยินดีพอใจทำแล้วเดี๋ยวก็มีความสุขเนี่ยเป็นการสั่งสมคุณนำความดีถึงไม่ถึงที่หมายก็สะสมความดีนี่เป็นสัจจะนี่เป็นเหตุผลของเราเนี่ยท่านศึกสรรเสริญวเวลาภาษาบาลีก็มีอีกสุโ ข, ข บุ ญ, ญบ ย, ยัะอุจโยการตั้งสมทึงบุญให้ให้ประสบความสุขเห็นไหมละ่ะก็มาจากหลักอันนี้แหล ะ, ะนั้นนะ่นแหละแต่ว่านจะไปมองดูว่าเป็นของเล็กน้อยมันไม่เล็กน้อยแหละท่านยังไม่ไปประมาทประบุญเล็กน้อยไหมพระเจ้าไปดูทนะั้งบาลีมันมีอยู่ไม่ประมาทระบุญว่าเล็กน้อยนะให้ทําคุณธความาดีไปเนี่ยสะสมสะสมท่านเลยเปรียบเทียบเหมืนอนความชั่วหรือเหมือนกับการไม่กิดไฟเห็นไหมเล็กน้อยนี่แหละมันเผาบ้านเผาเมืองอ พอติดเพราะคันน้อยก็เอาแล้วมันขยายใหญ่ขึ้นลามขึ้นลามขึ้นหรือ ว, ว่าฝุ่นขี้ฝุ่ น, นีมันเข้าตาเราเห็นไหมเราเล็กน้อยนั่นแหละเล้วแม่เห็นิดหน่อยนะมันอักเสบขึ้นมาก็ใหญ่กันตั้งตาบอดมันเป็นอย่างานั้นอันเดียวกันนั่นแหละมันเห็นโทษผู้เห็นโทษผู้มีปัญญานะ่ะมันเป็นอย่างานั้นนี่เราเข้าใจาถ้าเราไม่เข้าใจอันนี้เราก็เราก็จะเป็นพยศ ต, ต่อสาธาํากัมมือเจ้าเนี่ยอ้างเรื่อยแหละ ไม่มีเวลาไม่ว่างไม่พร้อมยังไม่รวยยังไม่กเกษียณอะไรแบบนี้แหละร็จแล้วเราก็ปฏิเสธใช่ไหมล่ะพอปฏิเสธปุ๊บเหตุในความดีเราไม่ได้บําเพ็ญดนะ้กระทําเลยแหละแต่ทีมันก็ไปผิดอีกเนหะ็นไหมพอมันผิดแนละ้มันก็มันลูกโซ่นละยเห็นไหเวลาก็หมดไปเปล่าอายุไขก็หมดไปเปล่าเฮ้ยหนุ่มไปสาวก็หมดไปนะไม่คืนหลังนะเลยของหลักนิจจังนะเขาทํางานหน้าที่ชื่อตรงดนีย พอหมดไปก็หมดไปไม่คืนหลังไม่คืนหลังไม่คืนหลังเหมือนใส่น้ำที่ไหลไปอะไรเงี้ยไปก็หมดไปนั่นแหละคนยังได้เดือร้อนนะผอไปทําตามหลักสัจจ์ตามเหตุผลพระเจ้าสั่งสอนไว้นั่นแนหะแต่เราไม่รู้มันละเอียดไงเรื่องกรรมนี่เข้าใจยากไงเรื่องละเอียดลึกซึ้งนนเนี่ยนผะูชนเราเนี่ยน่ะยังต้องอาศัยผู้รู้แจ้งโลกพระเจ้าหรือพาารนะอรหันน่ะที่อนามาสอนะมาเดินตามเท่านั้นเนี่ยเราจริงจริ ชีวิตจึงจะมีคุณค่ามีสาระมีประโยชน์อ่ะถ้าไม่งั้นอ่ะตัวเราไม่เป็นผู้ทํำร้ายตัวของเองบีบเบียนเจ้าของเองแล้วไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีสติเมื่อกี้หลวงปู่ท่านเทศไว้เราเ ล, ลึกไม่ได้ อ, อารมณ์ก็มีแต่เรื่องของโลกทั้งหมดพอเราไม่มาภาวนาพอจิตเราสงบเราจะเห็นชัดเลยเห็นโอ้อันนี้ไม่แต่ร่างกายเนี่ยมันจะหยุดเราทํางานลงเมื่อไหร่ก็ได้เนาะมันอยู่ในหลักอันนี้จังตรงนักตาตอเวลานี่เนี่ยอยู่ได้บุญนะด้วยอายุทั้งบุญอายุพร้อมหนึ่ง คำหนึ่งของที่อย่างนี่มาผาัดพิงนี่รูปร่างกลางตัวนี่แตกเลยจิตอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยที่ว่าความตายเป็นของเที่ยงชีวิตนี่ไปอยู่ไม่เที่ยงเ่ะตลอดเวลาที่ได้ได้สาระประโยชน์แล้วพ่อได้ยินคํานังสือนักป่าเนี่ยผู้ได้ศดับแลมในโอวาศาสนาเป็นธรรมะกำนังสอนกับผู้ไม่ได้สดับมันหนึงแตกต่างกันนะพอมาวัดเดกยวนั้นมันหนึแตกต่างกันนะพอดูตรงนี้มีมีประโยชน์มีสาระท่าแสดงเหตุและผลมาเห็นนะ เหตุแหความดีอย่างนั้นยังพัลลานาออกไปเหตุไม่ดีทั้งกมดพัลลานาไปอย่างนั้นเ น, นี่นนยนี่จึงลงมาเป็นหัวใจพุทธศาสนาที่เราได้ยินมาในวันมาคามาดเห็นไหมสรพ ป, ป, ปาปัสสะอากกัลังกุสระสุปัตสัมปดาสจิตต์ปริโยรัปปนังเอตังพุทธศาสนาให้ละชั่วทำดีทำจิตใจผ่องใสบริสุทธิ์นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายวังเนีย ว, ว่าคำว่าทั้งหลายเห็นไหม จะได้ว่าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระ อ, องค์เดียวทุกทุกพระ อ, องค์ที่มาเกิดมันเกิดขึ้นในโลกนี้ต้องมาตัดอย่างนี้สอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากระทาอยู่เวลานี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่เรื่องกิ๊บจ้อยเป็นเรื่องใหญ่เป็นจัตเจ้เป็นเรื่องมีประโยชน์อย่างหมาศานแต่เราไม่เข้าใจไงเนี้ยเนี้ยแล้วเราจ ะ, จะแหวงหาไปว่าจะดีตรงนั้นดีอย่างนี้ก็เลยเป็นโลกดีแตกดีซ่านไปทั่วแหละมีใครรู้จริงไม่ใครรู้แจ้งเลย เห็นไหมแล้วว่าแต่จริงนั่นดีจริงนี่ดีได้มากกว่าแค่นั้นทามันไม่แก้แก่เจ็บตายเนี่ยเหรอเห็นไหมคาถาดีภาคนั้นดีทำไมมาดับเรื่องแก้เจ็บตายนี่ได้แก่เจ็บตายนี่ได้มันดียังไงอ่ะนะวิชาไหนก็ว่าดีดีนะทำไมมาแก้แก่เจ็บตายเนี่ยจะดียังไงอ่ะแล้วคนก็ตกอยู่เรื่องเหล่านี้ไม่เห็นะทุกข์ก็ทุกเรื่องเหล่านี้เหรอวิชาไหนที่มาสอนได้บ้างอ่ะ มันไม่มีมีในพุทธศาสนาที่พระเจ้าสอนนี่แหละให้ต า, ารักษาจินภาวนานี่แหละที่จะมาแก้เรื่องเหล่านี้ได้คือคือทําจิตของเราเนี่ยให้มารู้แจ้งเนี่ยถ้าเข้าถึงความเป็นอมาตะไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในขั้ขนขาที่มันเกิดดับเกิดดับเนี่ยเกิดตายอย่างนี้ยังไงที่เราเป็นอยู่นี่เวลานี้เนี่ยถ้าว่าไม่มีวิชาออกไม่มีทางออกที่พระเจ้าออกเกิดขึ้นในโลกแล้วท่านมาชี้แจงวนทางไว้ให้ให้เราเดินแต่เราก็ไม่เดินถ้าเราไม่เดินแ เ, เ, เราจะไม่รู้แจ้งเราจะไปจะะ ถนนทางนี้ได้ยงไงอะนั่นก็ไม่ได้เงั้น ต, ต้องมาจุดฐานทางนี้แล้วปฏิบัติให้มันถูกทวนมันจะได้บรรดับทุกข์ได้อย่างแท้จริงทีนี้พอเรามาเกิดมาพบ อ, อันนี้แล้วเราไม่เอาแล้วเห็นไหมเรารุดอย่างนี้ไปแล้วนี่มันไม่ใช่จะมีทั่วไปคําลังสอนที่เลอเลิอนนี่นะในตรีระชาเราดูเถอะมีคําสอนหลังนี้มาเทียบดูดิวัดดูมีพระพุทธเจ้าไหมไม่มีเห็นไหมเน่ะเขาถึงว่าสัตว์เหล่านั้นเป็นอภัพปสัต เออเป็นอภาภัพบุคคลนะฮะโยเทพเทวดาเขาก็ไม่มีสารธรรมคำสอนเหล่านี้เห็นไหมไม่มีศาสดาเห็นไหมไม่ใช่แบบเลิศประเสริฐนะเราเนี่ไอ้นั่นหยุดแต่ก่อนนับเงินอะไรหยุดแต่ก่อนเนอมันรบกวนการนี่ย น, น่ะเนี่ยมันมามันมาผิดกับตรงนี้แหละเดี๋ยแตกต่างกันไปเป็นอภาภัพปสัต ไม่มีธรรมวินัยจะเลิศประเสริฐไม่ได้อันนี้การที่จะได้มาได้ธรรมวินัยเหล่านี้มาสอนเรามันก็ไปศึกษาดูว่าพระเจ้ายากเย็นขนาดไหนพอได้ธรรมมาพิสมัยมาสอนพวกเราจนรู้แจ้งจนหลุดพ้นไปนี่นะ่ะคนมันเป็นเข้าหนทางนี้นะ่ะมันยากไปศึกษาดูถึงประวัติของพระเจ้าล า, าบากมากมากนี่ขนาดเป็นปัญญาจิการเนี่ยก็ใช้เวลาทั้งนานสี่ก็ต้องไก่กำไรเต็นกับ คิดดูบรารมียังเต็มเปี่ยมมานี่ชาติสุดท้ยทายเป็นเป็นพระเวสสันดรไม่เห็นนะที่จะเอามาเล่านะเนี่ยที่พระไปกล่าวโจทย์น่านน่ะราบตะกระทั้งหลายแหล่หรือความดีทั้งหลายแหล่ได้มาเพราะความเป็นพระ พ, พ, พ, พุทธเจ้าอ่ะพระเจ้ายังกล่าวว่าพิจุดทั้งหลายเธอจะกล่าวดูวได้กว่ามไม่จริงอย่างนั้นนะที่เราไม่ได้สําเร็จมานี่ได้มาเพราะการสร้างบรารมีนะเนี่ยยกชาติสุดท้ยทายขึ้นม า, มากล่าวมาอ้างมามาเล่าให้มาแสดงให้ฟังนี่ย เนี่ยเพราะว่าในธรรมเนียมเราจะเห็นว่าพระอิศานนี่เขายัางนิยมสแสดงเรื่องพระเวสสันดรไงเออทานตินปภาวนานัเนนะ่ะเอออย่างอุกฤษน่ะยังได้ธรรมมาพิสมัยมาสอนพวกเราเนี่ยพอมาเป็นเท่ากุมารเนี่ยไม่ดูแสวงหาหุณทางอีกทั้งหกปีสลับแล้วสลับอีกทั้งสามครั้งจงึงได้ธรรมมาพิสมัยหาอาจารย์ไหนก็ไม่ใช่อาจารย์ไหนก็ไม่ได้เรียนไป็มรอาจารย์ที่ในโลกที่ว่าเก่งๆอะ่ะเขยังไม่ใช่ไม่ใ ช, ไใช่ไม่เห็นนะ จนมานึกถึงตอนที่เป็นเด็กเธเด็จพ่อพาไปภาวนาไปแรกนาฝันอยู่จะเป็นนั่งอยู่ใต้ลมว้านี่ยกานั่งดูลมเนี่ยที่เราภาวนาอยู่นั่งดูลมเข้าลมออกเนี่ยแล้วจิตมันสงบใหญ่รวมเป็นหนึ่งอะเออแล้วก็ต้นว่าเนี่ยเป็นทรงกดไว้ไม่ไหลไปตามการเวลาเนีะแต่วันบ่ายเย็นไปแล้วเอาทิตย์ยังทรงอยู่อย่างนั้นนะร่มอยู่ยงนั้นไม่ร้อนเลยนะอัศจรรนนย์นะมานึกถึงอารมณ์นั่นแล้วก็มาเจริญ ยังเกิดวิชาสามขึ้นมาเนี่ยคืวิชาสามกันเลยวิชาที่หนึ่งภพบเบภบบวาสานุสติยาณญาณรอริยนชนหลังได้ว่าเคยเกิดเป็นอะไรมาอะไรมานี่ถอยไปถอยไปโอ้ยมากมายมหาศาลนั่นะนั่นนี่ท่านจึงเอามาเล่าเอามาพูดเดี๋ยวมันก็เป็นสกีบรรยา น, นั้นหนึ่งเพื่อมาเล่ามาพูดแล้วเห็นไหม ท, ที่ว่าคนว่าตายแล้วศูนเนะ่ยเออตายแล้วศูนย์ถ้าตายแล้วศูนย์เนี่ย เอาอะไรมาเล่าแล้วเอา ไ, ไปเก็บไว้ยังไงเรื่องรามเหล่านั้นน่ะพระชาตินั่นเคยเกิดเป็นนั่นเป็นนั่นมาเนี่ยเอามาเล่าได้ยังไงอะ่ะมันศูนย์ไปหมดแล้วชิบหายหมดแล้วเห็นไหมละ่ะแม้ก็อยู่ตามธรรมชาติธรมชาตภาพเราเด้เ อ, อ้างแต่ ว, ว่าธรรมะละศูนย์แต่ทำให้ไม่พูดบ้างว่ากิเลสศูนย์บ้า ง, างเอออ้างแต่ ว, ว่าธรรมะศูนย์ไม่มีแล้วยุคนั้นทำไมนั่นพอตอนนั้นแต่ไม่เห็นอาอ้างว่ากิเลสศูนย์บ้างเลยไม่ใครอ้างไปเลยวะ กิเสศูนย์แล้วไม่มีแล้วเห็นไหมใศูนย์ที่ไหนนะใครไป ท, ทําช้ว่าก็ยังเดือดร้อนอยู่ทุกอยู่ลาบากอยู่ไม่เหนะใครทําดีก็ยังดีอยู่เห็นนะให้เราเราเข้าใจเอาเองเฉยๆนะๆั่นอารมณ์เราเฉยๆแต่ทําทมันไม่ได้เสื่อมในศูนย์ไปตามกาลเวลาได้นะนะนั่นแ่ละท่านยังมีเรื่องมาเล่าถึงถ้าว่าตายแล้วศูนย์นี่พระบิดาเจ้าคานกันทันทีนี่นีน่วิชาที่สองเอกจุตุปาตายานคนทํากรรม อย่างไรจึงมาเกิดอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นมีความสุขอย่างนั้นท่านก็รู้หมดใครทำกรรมอย่ไม่ดีไหมมาทุกข์ยากลาบากมีอาหารการกินเ น, นท่านก็รู้หมดอา้าวทาไมคนต้องการดีทําไมไปเกิดไม่ดีอย่างนั้นอมองพอกิเลสเนี่ยเพราะอวิชชาควาไม่รู้เนี่ยได้ไปพึติปฏิบัติลงไปแล้วไม่คิดว่ามันจะลูกพันติดตามให้ผลอย่างนั้นนี่พระเจ้าจึงมาพนฟ้าวิชาที่สามอาสวัคยายานเนี่ยมารู้แจ้งในอริสัตถีเนี่ย มักเหมี่ยวแปดเนี่ยเนี่ยเพราะอะไรอ่ะแต่ท่านขยายความเป็นปัจจัยาการเพราะอวิชชานี่นหแหละอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นเป็นปัจจัยให้เกิดให้เกิดนา ม, มารูปให้เกิดวิญญาณวิญญาณให้เกิดนา ม, มารูปนา ม, มารูปเป็นปัจจัยเกิดสายตนะสายตนะก็คือหกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเออ เพราะฉะนั้นก็มีเครื่องมาพัฒนากระทบถูกต้องตาก็คู่กับรูปหูก็คู่กับเสียงจมูกกับคู่กับกลิ่นลิ้นก็คู่กับรสกายคู่กับสัมผัสย็นรอนแขงจิตก็คู่กับธรรมารมอารมณ์ที่คิดนึกหรือได้ยินได้กวงนั้นน่ะเข้ามานั้นน่ะ้็เกิดแล้วก็ชอบไม่ชอบยินดียินร้ายนั่นให้เกิดเวทนาสุขทุกเฉยๆกลางๆนั่นแหละแล้วก็เกิดตัณหาความชอบไม่ชอบตัณหาสาม เห็นหที่ว่าอการมัตต์นาภาวัตนาวิภาวัตนากามัตั์หาก็คือในรูปในเสียงในกลิ่นในรสนั่นแหละชอบในรูปนั้นไม่ชอบในรูปนี้เสียงนั้นเสียงนี้ไม่เห็นมฟังเสียงกันมาแล้วก็ชอบไพเราะถ้าเสียงด่าจังแจ้งเออโอ้ยโมโหโตๆเดือด ด, ดาลึ้นมาไม่เห็นเห็นรูปสวยก็หลงไหลเห็นรูปไม่สวยก็เบื่อนายอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะรูปนั้นก็เป็นจริงอยู่ในนั้นเขาไม่รู้เรื่องด้วยจิตของคนนั้นนะ ถ้ามีสติมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็หลงไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะวิ่งไปจะวิ่งมาเพราะจิตไม่เป็นธรรมมนเลยไม่ยุติเนีย่ยถ้าจิตทําให้เราเป็นกลางได้เป็นธรรมแล้วรู้เท่าทั้งสองขั้วมันก็ยุติหมดยุดติธรรมไงเรื่องทั้งหลายก็ยุติสงบอือันนี้แหละอะไ้เกิดตัณหาตัณหาแล้วเกิดอุปทานอุปทานคือเข้าไปตั้งเข้าไปยึดไะ ย, ยึดในรูปยึดในเสียงเรา เราเป็นนั่นเราเป็นนี่เราไม่อยากเป็นนั่นเราไม่อยากเป็นนี่นะในรูปในเสียงกิตเหล่านั้นเนี่ยเขาด่าเขาว่านั่นนะจิตมันวไะมันไปไม่อยากโมโหตัวตัวขึ้นมาไม่อยากเขาว่างั้นขัดใจขึ้นมาเอออยากเป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นแล้ว ก, ก็เส right ียออกเสียใจขึ้นมาพอไม่รู้สภาวะธรรมสังขารธรรมเป็นจริงไงพอสิ่งนี้ไม่เที่ยงแปรปวนไปประกอบไปด้วยดินน้ําไฟลมอะไรเงี้ยไม่รู้ลึกไปนี่เนีขาไมามีใครสอนไม่มีใครบอก ไม่เคยชี้แนะแต่พระเจ้าเนี่ยมาชี้แนะมาตรัสถ์เนีกายคตาพิจารเรื่องกายเรื่องผมเรื่องเล็บเรื่องฟันเรื่องหนังเนี่ยไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ได้สวยได้งามเกิดขึ้นเลยมีเด็กทิ้งเกิดดับเกิดดับสกปรกต้องอาบต้องสางต้องล้างต้องขัดต้องถูฮะจึงพออยู่ได้ถ้าไม่อารัดอยู่ไม่ได้แต่ว่าทำเป็นปกติก็เลยมาปิดบังความจริงเสียเพราะเราไม่ใคยนึกไป นึกแต่ว่าสวยว่างามเป็นประจำทุกวันนึกว่าไม่งามนี่นอกจากได้รับการชี้แนะนั่นแหละดึงใจพี่นาไปแทนไม่ชี้แนะก็มีแต่ว่าอยากสวยอยากงามอยู่ตลอดไม่เห็นยืมเงินเจ้าทองเท่าไหรก็ได้แต่อยากได้สวยได้งามเลยเนี่ยเออเดี๋ยวไม่สวยไม่งามก็ไม่อยากนึกอยากนั่นแหละเพราะว่าไม่ไม่สบายอารมณ์ไม่อยากนึกแต่ว่าความหมายพระเจ้าไม่ใช่แบบนั้นถ้ามันนึกมาเห็นเลยทําให้เราจิตฉลาดรู้ความเป็นจริงของสังขารมันจะไม่หลงไงเออ แล้ก็รีบสร้างคุณาําความดีประโยชน์ไม่ปล่อยให้มันจลาคําค่าแตกลายหรืทิ้งไ ป, ไปเปเปล่าๆนั่นไเนี่ยที่เข้า ม, มาหลักของกรรมที่ว่านี่น่ะเห็นมันพันมาตรงนี้อีกไม่เห็นไหมดังนั้นเราก็จะไม่ฉลาดตรงเนี้ยกรรมกระทำของเราไม่ฉลาดก็ เ, เอาไปเวลาไปจุลุ่งไปหมดใช้ไปหมดเดียวก็เอาความรู้สึกของเราเนี่ยไปปลูกไว้ตั้วันกับเดือนกับปีวันนั้นเราจะดีเดือนนั้นเราจะดีปีนั้นจะดีเห็นไหมล่ะคิดไปอย่างนั้นทุกคน จะไปจะดีไหมล่ะมันก็ไม่ดีพะอะ่อแหละวันเดือนคืนปีมันก็มืดแจ้งมืดแจ้งเป็นธรรมชาติของเขาอยู่งั้นไม่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาที่ดึกดำบันความรู้สึกเราเข้าข้างเอาเองนึก เ, เอาเองว่าเองเข้าใจเอาเอ ง, จ, เอเองจะได้ไม่เกิไปเสียท่าเสียทีความดีไม่ได้บำเพ็ญไว้สร้างไว้ถึงมาเจอมาเจอคําสมสมัยเจ้าก็ไม่ผันดูไม่ใส่ใจไม่จําเป็นไม่จําเป็นเห็นไหมความคิดความนึกความหมายของเราเนี่ยเป็นปฏิปักษ์ต่อทราบความสมัยเจ้าตอลอดเวลาเอ่ออาจจว่า ไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่ว่างไม่ว่างเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องศาสนาเห็นไหมล่ะเถี่ยมว่าเรากล่าวไปแล้วอธิบายไปแล้วเนหะ็นศาสนาเนี่ยว่ามาที่ใครเื้ยที่กายมาจาใจใครมีกายมาจยใจใจเนี่ยนเะนี่ยคือศาสนาคือคาต่างสอนสอนกายสนวาจาสอนใจของคนสอนอะไรสวยละความสิ่งที่ไม่ดีไม่งามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เนยเพราะว่าทําแล้วมันจะเกิดทุกข์เกิดโทษติดตามเบียดเบียนเราอความดีนั้น ถ้าเราไปพึ่งแล้วไปวันแล้วจะตามรักษาพิบาลเรียกว่าอุปถมบกอุปษ์ภคกรรมตามรักษาพิบาลเรานั่นเป็นอย่างนั้นอำนวยอผลให้เรามีความสุขให้เราสมหวังแต่เราไม่ทําไว้จ้างไว้มันก็ไม่มีจะเห็นไหมละ่ะนี่เราไม่ฉลาดในสัจธรรมเหล่าเนี้นี่จึงเอามาพิมาพิจารณาแบไปวิปัสนาวิาปัส น, นาคืออะไรให้มารู้มาเห็นตามความเป็นจริงเรื่องกาใช้ปัญญานี่ไงเมื่อสอนนําไปแล้ว แล้วก็มาทําจิตให้สงบให้เกิดสมาธิต่างบ้านมีความสุกแต่แล้วก็ออกคนฟ้าในเรื่องสภาวธรรมเหล่านี้ที่จิตมาใจอยู่ชั่วคราวนี่แหละให้จิตมันเห็นตามความเป็นจริงมันจะได้ไม่ดื้อไม่ฝืนไงอย่างนั้นเขาจะขี้เกียจขี้ค้านดื้อฝืนไม่ทําพอไม่ทําให้รู้แจ่มก็ะหลงไม่ยึดยึดยึดก็ยึดล้มๆไปง่ายทั้งคานดินน้ำพยายามเขาไม่รู้เรื่องด้วยเขาก็ยักย้ายไปทําความจริงตลอดเกิดดับเกิดดับไปตลอดทําความจริงเขานี่ ถึงวยการเวลาก็แตกสลายไปจิตก็ออกไปอีกทํามีความดีก็ไปที่ต่ำอารมณ์ที่เก็บไว้เห็นไหมวเวลาไปเกาะอารมณ์โกรธมันก็โมโหโโถไม่เห็นนะอารมณ์รักก็หลงไหล อ, อารมณ์เจ็ดใจก็เศร้ามองไม่เห็นนะมันไม่สะเบยจิตใจนั่นแหลปไปเกาะนะันแ่ะอุปทานไปเกาะไปเป็นอย่างั้นแหละยไปเกิดในท้องแม่กันถ้าอารมณ์ไม่ดีนะี่ลุปร่างกีไร้เลก ม, ม่เี็นใครอะมีศีลธรรมดี มาเกิดเนลูกสวยลูกงามเฉลียวฉลาดเนี่ยมันก็ไปในจิตนั่นแหละเก็บไว้ในจิตนั่นแหละเป็นความรู้ที่เราศึกษามานะ่เก็บไว้ในจิตเคยศึกษามาบางความรู้ ก, ก็มากก็ไม่เห็นนะก็าสามารถทําประโยชน์ได้มากมากินตําแหน่งสูงๆเงินเดือนเยอะๆมาเนีนะ่ยนัเพราะความรู้นั่นแหละความรู้น้อยก็ตําแหน่งก็น้อยเงินก็น้อยอาชีพงก็น้อยไปตามนั้นมันเก็บไว้อย่างละเอียดใครก็มาดูเห็นไม่เห็นนะสูงใหญ่กว้างขวาง แต่ใครก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีเก็บไปแล้วอย่างลึกลับเนี่ยตัวร่างกายเนี่ยเราจะย้อนไปดูดิย้อนไปดูไม่ได้แล้วตั้งแต่เมื่อวานยังไม่ได้แล้วย้อนไปก็ไม่ได้แต่จิตนี่นะถ้าเราลึลกและย้อนไปเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉา ก, ฉากย้อนเป็นอู้ดึงเป็นเด็กข้ามยังเป็นเด็กไปยังได้เลยเลึกฉาดไปได้ถ้าเราสติเราดีๆมันเป็นอย่างงั้นน่ยมันเก็บไว้ยังไงเห็นไหมเ่าเวลารเราดูไม่ใช่เอาตาเนื้อมาดูมาเห็นนะตาใจนุ่นเวลาเห็นเพราะนั้นใจตรงนี้ จึงเป็นของไม่แก่ไม่ตายไงถ้าตาบได้ไม่เห็นสภาพทางเป็นจริงแล้วมัเนี่มันหลงเหล่านี้เรื่องเหล่านี้แหละแล้วก็จะมีโทษมากอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ทุกข์มันไปยึดไปถือทิดมั่นถือมั่นไงรับเรื่องอะไรมาก็มายยึดมากระทุกข์การทำร้ายตัวเองกันไหมล่ะกรรมเหล่านั้นเป็นของตนทั้งนั้นแหละทําแล้วก็ลืมทําแล้วก็ลืมแล้วไม่คิดว่ามันจะผูกพันหมดไปแล้วสุดท้ายก็กรมมุนาวัตติโลกสัตว์โลก ย่อมเป็นไปตามกรรมเห็นไหมละ่ะนีไม่พน้นเะด้เ yeah. นี่ยนี่ต้องเป็นไปตามที่ทํามาแล้วเห็นไหมพเพราะงั้นเขาไม่อยากได้เหแล้ว ไ, ไม่อยากได้ก็จะพูดไปต่างๆนั้นนะเราเราเกิดไม่ได้อย่างงั้นอย่าง น, น, างนี้ทำบุญน้อยวนาตนะน้อยอาภับอย่างงั้นอย่างนี้นนแล้วใครทํามาเหตุไม่ดีใครทํามานะยเพราะเราทํามาทั้งหมดทําแล้วก็ลืมทําแล้วก็ลืมมัก็ไม่อยากรับ เขาจะพูดดีสอนดีบอกดีก็ ม, มิเถือด้านมิเตือะ้างมามังการทิฏฐิมาหน้าว่าตัวเองเก่งตัวเมีความรู้ศึกษามทาทั้งโลกสูงเห็นเนี่ยสูงจบมามากแค่ไหนเงินมากแค่ไหนก็ตามถ้าหลักประเสธหลักศาสนาตามคําสอนพระเจ้าเรื่องดีเรื่องชั่วแล้วเราก็จะทุกข์เดือดร้อนจากเรื่องดีเรื่องชั่วเหล่านี้หละเห็นไมหนไมล่ะเฮ้อหรือว่าเหนืออ น, นี้มีมันไม่มีอันนี้ผูดด้ใดคิดนะจริงหรือไม่จริงเห็นไมหมล่ะ จะตัแต่งตำแหน่งสูกๆยังไงก็ามาเดาเล่าเรื่องถูกผิดเนี่ยเรื่องดีชั่วนี่แหละเห็นไหมละ่ะเรียว่าไม่เกี่ยวข้องได้ไงไม่สาคัญได้ยังไงเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นหัวใจพุทธศาสนาเรื่องละชั่วทําดีทำํำใจผ่องสใสบริสุทเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไม่เรื่องกิบจ้อยเพราะว่ามาสอนพระอรหันต์หนึ่งหนึ่งันสองรอยสิบรูปถึงเป็นหิพิกรสมาธาเห็นนะแล้วพระพุทธเจ้าทุกทุกองก็จะมาตัดอย่างนี้จะมาสอนอย่างนี้เรื่องเล็กน้อยเหรือต้องย้ํา พระพุได้เห็นความต้องการอย่างงั้นเราเลยมองข้ามไปทําเป็นเดมพิธีไปศาดานพิธีไปเงี่ปฏิบัติการนั่นก็ทําไปตามพิธีไปแต่ลงในรายลึกมันไม่มีการที่ไปศึกษาค้นฟ้าพี่นายอธิบายแล้วมันไม่มีไงผมไม่เห็นอย่างนั้นมันก็เลยน้อยเนื้อต่าใจทอดทุละไม่มาพึ่งปฏิบัติตอนเวลาก็โง่เขาเตาตุนแล้วเนี่ยแล้วตัวเองร่างกายเหล่านี้ที่ได้มาใช้ยอยู่นี่ก็ตกในหลักในรัมันไม่มีวันหยุด มีวันเสารมีวันอาทิตย์ไม่เห็นนะึกคนโง่คนตราดก็เดินทา ง, ทางเดียวกันไปหมดไปสิ้นไปนะยีิบสี่ชัวช่วโมงไม่เห็นอะไรจําเป็นมรรคเป็นผลอะไรเลยว่างเปล่าจะไปเรียกร้องเอาอะไรนักหนาอะไรทำไมต้องได้อะไรที่อย่างนี้เป็นนิทานมีตีมีมพาะนาะวันนึงตักชัว่วโมงสงชัว่วโมงสามชัว่วโมงมนึกก็แล้วมันก็จะเป็นเครื่องอุ่นใจว่าเราได้มาบบำรุำงสนับสนุนถูกผลทางถูกวิธีเหตุเราถูกผลมันยังถูกนี่หลักสัจจะ เราเหตุไม่ถูกผลไม่ถูกมันจะมาจากไหนการทำแรกเราก็ไม่ยอมรับความจริงว่าเราเป็นผู้ทำอ่ะเนี่ยมันเลยหลงมือแก้ยากไงพอเราเป็นผู้หลงไม่ใช่ผู้อื่นผู้หลงหลวงพ่อเจ้าจึงต้องเอาศาสตา์ํารมคำสอนเนี่ยมาสอนศาสตร์ธรรมคำสอนออจึงเลิศประเสริฐไงสวาขาโตพระวตาธโมพระธรรมเจ้าตัดไว้ดีแล้วตัดไม่ไชอบแล้วเนี่ยเขามาว่าได้ตามตัวหนังสือตามพรรยั ญ, ญชนะ แต่เราไม่ได้ลงลึกถ้าลงลึกในที่อธิบายไปแล้วเห็นไหมต้องไหนยังไ่เถียงพระเจ้าได้ ไ, ไปค้านพระเจ้าได้เห็นไหมเดี๋ยวไม่เพิ่มบัตรเราทุกข์ขึ้นมาวิกฤตขึ้นมาเอาแล้วไปหาหมอดูหมอเดาแล้วต้นไม้ใหญ่จอมปลวกนันมาปูมแล้วในไ ม, ม่ติดปึง้งในในเขมรคาถ า, านั้นว่าไงในะในเขมรคาถ า, าเอตังโคสุรังเคมังนั่นไม่ใช่สรณะอันกเกษมนั่นไม่ใช่สรณะอุดมสูงสุดใครไปถึงนั้นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้เอาขยายความทีนี้ ทำไมละ่ะข้าเพเจ้ไม่มีคําสั่งสอนเนี่ยไม่ช่มีใครรู้แจ้งผู้จ ะ, ปะเป็นสาธดานั้นไม่มีใครหมดกิเลสรู้แจ้งเดชเดี๋ยวพเจ้าของเราเนี่ต้องไปทําตัวท่านเภาเองมาเองก่อนแล้วมเมรุจะหมดกิเลสรู้แจ้งแล้วเนี่ยสุขะโตแล้วนั่นนะไม่ใช่คนทุกข์จนตกจนบุ่มมาบอกมาสอนพวกเราเมื่อไหร่เล่าเฮ้ท่านพระพุทธวิดีจนหมดกิเลสแล้วจึงเําคำสั่งสอนมาพูดมาสอน เ, นเพราะนั้นจึงถูกต้องแม่นยําไม่มีที่คัดทิค้านเมรุนะ อมจริงด้วยมีประโยชน์ด้วยจึงนํามาตัด น, ำ, นำมากล่าวนำมาสอนจริงไม่ประกอบไม่ประโยชน์ไ ม, ไม่นํามาตัดนำมาเก่าวนำมาสอนแล้วจริงกับที่พูดอธิบายมานี่นะเอาที่แบบใครมาคา้านได้บ้างเอาต้องดูที่ว่าไปแล้วอธิบายไปแล้วเนี่ยใครมาค้านได้บ้างค้านไม่ได้ทักอย่างเห็นไหมเห่ะมันจริงหมดอ่ะอจะว่าอย่างไงทีนี้มันเป็นอย่างงาั้นเป็นอย่างงี้นั่นเราเป็นนักเหตุผลเราก็ต้องยอมรับเสิโลราบ ยกมือท่วมหัวกองเราเนี่ยพุทธะสะหัตสมเดชาโสวะบุตโตเมตามีกิจรโรยอมจิโร ล, ลาต่อคําตัดคํากล่าวมุทิตเจ้าธรรมะสะหัตสมเดชาโสวะธรรมิรมรมกจรโรนั่นเนี่ยที่เราจวดมนต์ไว้ในภาคธรัดคัมอะจะว่าติดตัวหนังสือดิจิตใจมันต้องลงด้วยอย่างงั้นทั้งคัศหัตสมเดาโสวะสั้งคัสมิกิจรโยนี่ย ยอมที่เราราบเลยพระสงฆ์วชวิีพระเจอบเป็นตะกี้พยานเราเห็นแล้วหมดกิเลสได้ท่านก็เอาคาสอนของพระเจ้าเนี่ยมาเผยแผ่มาชี้แจงให้เราเราก็เป็นผู้หนึ่งที่โชคดีที่ยังเกิดทันยุคทันสมัยยังไม่ได้ยินพุทธธรรมคำสอนของพระเจ้าเนี่ยเนของได้ยินได้นฟังยาก่ะเมื่อฟังเป็นแล้วก็เห็นไปแล้วมันไม่ได้อยู่นอกเมฆนอกหมอกที่ไหนมันก็อยู่ในตัวเราประกาศสัจธรรมความจริงปังๆต่อหน้าต่ตาเรานี่แหละแต่เราไม่เข้าใจแล้วเราก็เอายึดถือไปสาระเอาประโยชน์ไม่ได้ไง เอาไปผ่านเอาไปลุไปทางอื่นหมดที่จะเป็นมักเป็นผลกับตัวเองอ่ะแต่ทุกโทษเปลี่ยนไปกับผลิตเอาผลิตเอาผลิตเอาเดี๋ยวแล้วก็ไม่อยากได้ไม่อยากได้มันเป็นไปได้หรือเฮ้เนี่ยสานึกไม่ได้ระลึกไม่ได้อ่ะอาถารพ์กับความชั่วกับกิเลสเนี่ยเนี้ยเนี่ยเพาะในยนติกิเลสความชั่วเราก็ไม่ไม่ไม่ฝืนมีเด็ดไหลตามมันไปไหลตามมันไปผลิตเรให้ผลที่ไม่พึงปรารถนาแล้ว แต่ปากร้อบวนพั่มละเมอเพื่อพอกไปต่างๆนานาแล้วเห็นไหมเล่าแล้วมาเอาถ้าจะทำำําคําสอนพระเจ้าไปเทียบดูเลยมันมาจากไหนทีนี้มันก็อย่าเจีมแจ้งนะั่นแล้วจะเขเข้าใจว่าทําไมพระเจ้าถึงมาสอนในปนาทุกวันทั้งในปินาปเจวเวกทั้งในพรมวิหารไทยพรมวิหารก็ว่าอีกเนี่ยทำไม่สาคัญจะย้ําอยู่อย่างนั้นแล้วย้ําแล้วเพี้ยอีกหรอใช่ไหมเฮ้ใช่ไห ม, ไหมพรมวิหารมีไหมมีอีกถ้าเรา มอมีหานก็ว่าไปอีกกเตือนไปอีกวอลไปอีกเหมือนก็ย้ำย้ำแล้วย้ำอีกไปอีกทั้งสำคัญไงถ้าไม่สําคัญไม่พูดเรื่องเหล่านี้เราก็ผิดพลาดไปยังเรื่องเหล่านี้ไงใช่ไหมเหมือนก็เราแผ่เมตตาตอนเนี้ยอะหั่งสุขในตโหมิข่าวพระเจ้าจะมีความสุขถ้าเราทําที่เป็นทุกข์เป็นโทษอยู่เราจะมีความสุขได้ไหมต้องถามคืนเหมือนกันรถถนนเนี่ยไปแต่ข้างหน้าไม่ได้ต้องยูเทิร์นมาแล้วเนี่ยอนุโลมปฏิโลมเะมือนว่าเอ็ อาเวรเราโฮมิข้าพเจ้าไม่มีเวรเราทำสิ่งนี่เป็นเวรในภัยเราจะไม่มีเวรได้ไงอ่ะเห็นไหมเราต้องย้อนมาถ้าเราทําเวรต้องเป็นละสาเหตุนะก่อนไม่มีเวรเราเราจรึงจะเป็นสุขเห็นไหมเราทำสิ่งที่ขัดข้องกับเราอยู่นี่ อ, อันนี้โกมิแล้วเราจะไม่ขัดข้องได้ในชีวิตของเราอเฮ้ยต้องย้อนนะไม่ใช่ว่าว่าไปทีเดียวข้างหน้าแล้วต้องย้อนมาถามคืนแล้วมันจะได้ความรู้ความเข้มแจ้งความเข้มใจในสีลธรรมเหล่านั้น ไม่ใช่ว่าได้หรอกว่าไปมันนกอก้วนกกระทองห้างหรือโทรไปพระเจ้าจังเมความสุงไม่ไปได้จําได้เฉยๆแต่ว่าไม่ลงถึงอัตทะเนื้อความที่ท่านต้องการสื่อถ้าเราต้องการสื่ออย่างนั้นเราเจมแจ้งนั่นเราทําความชื่อไม่ได้หรอกก่รทาในคุณงามความดีนั้นเนี่ยพอทําแล้วมันทำลายเจ้าของบิดเบียนเจ้าของเพราะในเกิดมาตั้งปัญหาถามหรืเกิดมาในบันลุโลกนี่เราต้องการอะไรบาตรนาอะไรแล้วเราจะได้อะไร ต้องถามตัวเองแล้วมันจะได้ข้อมูลความข้อสรุปว่าเกิดในมันโลกนี้เราต้องการอะไรแล้วเราจะได้อะไรไมงั้นเราไม่รู้ทิศทางตัวเองว่าต้องการอะไรปรารถนาอะไรในโลกอันนี้เฮ้ยจะฟ้าน้ําเหลวอยู่เลยทางถูกไม่ไปเอาแต่ทางผิดเฮะทางถูกกนไม่ไปแล้ทาทำแต่ทางผิดนี่จะไม่ความว่าไง เ, าเราลักเรารักตัวเราแบบไหนลักถูกลักผิดนี่ยเห็นไหมเพราะฉนั้นว่นเป็นอย่างนี้นเราจะภูมิใจ ใครไม่ให้ของฝันเรานี่เราไม่เสียใจเดือดร้อนเลเราสามารถให้กับเราเองได้ของถูกใจด้วยคนอื่นให้ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่เราให้กับเราเองถูกใจเลยเห็นไหมเฮะแล้วก็ไม่ต้องไปด่าเขาตีเขาว่าคนนั้นไม่เห็นใจหนูคนนี้ไม่เห็นใจหนูพ่อแม่ไม่เห็นใจหนูคนนั้นไม่เห็นใจหนูเงี้ยไม่ต้องบ้าเลยใจยวิวว่าของจะขนยังไม่เห็นยังคนอื่นมาเห็นมันเป็นเต็นบ้าเลยเฮะเราต้องเห็นใจเราก่อนเฮะรู้ใจเราก่อนแล้วนั่นแหะ เรามาปฏิบัติเนี่ยนักปฏิบัติมันจะเจียมแจ้งเห็นใจเราแล้วโอ้ใจเราเป็นแบบนี้เราต้องการาายยานี้ป่าทะยังงี้เราทําอย่างงี้เราสุขถ้าอย่างงี้เราทุกข์เนี่ยเราก็อในทุกข์ล้วก็ละเสียเนี่ยจะไปก้าหารต้องอเนี่วะท่านบอกให้ละชั่วทําดีทําจิตใจวงสบริสุทธิ์ไม่เห็น เ, นเป็นคำหลังสองพระเจ้าทั้งหลายเห็นไหมทั้งหลายฟังมาทั้งหลายเนี่ยพอเรามาทําถูกตามนั้นเน่ยเราก็มีความสุขนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุข นั่นล่ะสมศักดิ์สิทธิ์ว่าเราเกิดเป็นมนุษย์สมศักดิ์สิมาเพรพระศาสนาของเลเลิศไม่งา้เสียชาติเกิดได้เกิดมาเงี้ยมาพระพาะเนี่ยเสียท่าเนี้ยพอไปทุกอย่างลำบากแล้วไม่มีทํารมะไม่นใด์ศาสนาตายสิเนี่ยไปทรมานอยู่กันนานแสนนานเรื่องนักกลัวทั้งหมดเนี่ย น, นั่นมีอยู่จริงนะพระปุ่มเหล่านั้นที่พระเจ้าจมาชี้แจงสแสดงไว้เราจะอานหานั่นนี่นี่ขณะพูดเรื่องแบบนี้ก็เห็นไหมเราจึงหาที่ ออกไม่ได้เลยหาที่คัดที่ข้าไมไเจ้าไม่ได้เลยมันจริงหมดอ่ะอย่างที่เราพูดถึงกวางเรื่องเหล่านี้มันเป็นภาษาภาษาเข้าใจยากภาษาธรรมะที่มานบัญญัติเรียกว่านั้นเนะี่ยคำต่างๆนั้นเนะี่ยก็คือกรรมๆนี่ก็เป็นกากรกระทําเป็นตัวกลางๆยังไม่บ่งชี้แต่ถ้าว่าให้ชัดเจนเละท่านก็บ่าใส่กุศลเข้าไปเนี่ยกุศลกรรมกุศลไม่าฉลาดอกุศลอกุศลอกุศลกรรมมันไม่ฉลาด เอาเถอะว่าถ้าว่าให้ให้ชัดเองไปอีกกายสุจริตเห็นไหยสุจริตก็คือมาจากสุขโตที่เป็นสวรรค์สว่างสงบเหมือนล่ะเออเออสุขตีน่ะสุขโตน่ะเป็นสุขทําแล้วก็เป็นสุขทําแล้วเจริญรุ่งเรืองเป็นสวรรค์อทําแล้วทุกขโตทุกข์เป็ว่าจองทำแล้วทุกข์เดือดร้อนหุ่นหวายทั้งเขาทั้งเราเนี่ยนะแม้ว่าไม่ตรงทุกข์เป็นว่าจองอะทุกขโตวิบัติอ่ะทําแล้วนรก รอนออกรอดใจทุกใจเต่ามองนั่นแหละเนี่ยะะกายทุจริตรวจีทุจริตรมนุษย์ทุตจริตรเห็นไหมมันอยู่ในนั้นเงินบอนบ่งบอกแต่ตัวกรรมนั้นเป็นเป็นเป็นตัวกลางกลางทีนี้ศัพท์สมัยใหม่เรียกว่าอะไรคือเหตุศัพท์สมัยเรียกว่าเหตุถ้าคนมีเหตุก็ต้องมีผลเห็นไหมมีกรรมก็มีผลของกรรมแต่ผลของกรรมก็เรียกว่าวิวบากภาษาบาลีเนี่ยเรียกววิบากกรรมวิบากกรรมนั่นเนี่ยแปลเป็นไทยว่า ผลต้องการกระทําสมมุติจะต่างกันอัถะเนื้อความกันเดียวกันใช่ไหมเนื้อความมันเดียวกันไม่เห็นเนะสมมุติว่าต่างกันแต่อัฐะเนื้อความมันเดียวกันแหละเพราะเราจะเป็นหลงสมมุติพราใครมารู้แจ้งสมมุติมันก็จะเป็นวีมุตดใช่ไหมเอาไม่ติดไม่คล้องนี่เขาสมมุติใช้ลักษณะธรรมนี่เขาไม่ว่าอะไรเขาเป็นกลางๆอย่างนะี้เนี่ยเขาเฉยๆมีแต่มีแต่ลักษณะ อย่างน้มัักษณะนะ่ะรรยัตเข้าไปใส่ไปกันเรียกไตามนั้นตาม น, นามชนาติตามภาษาเนี้ยอย่างนี้มันเปลี่ยนแปลงเนี้ยภาษาไทยเรียกว่าอนิจจังเไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงนะ อ, อนน้ภาษาอบาลีาอนิจจัง เ, เนี้ยแมันไม่เที่ยงกนะอนนเป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ทนได้ยากเนีเ่ยทุกขังทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้อนตตา ไม่อยู่ในบังคับบัญชานนเนี่ยไม่ใช่อัตตาแล้วศูนย์ไม่ใช่รูปังอนัตตาถ้าศูนย์มันนั่งอยู่นี่ได้ไงเนี่ยมันนั่งอยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวว่าไม่แก่ไม่เจ็ บ, ไ ม, จบไม่ตายบังคับไม่ได้มันก็ไหลไปตามเหตุแลปะปัจจัยของมันอยู่เงี้นตลอดเรียกว่นัตตาเนี่ยวินาสุขทุกข์เนี่ยนะว่าอนัตตาถ้าศูนย์แล้วตัวเองต้องเปลี่ยนยาบททําไมแล้วเดี๋ยวพอเปลี่ยนปุ๊บมันก็หายไปไม่แต่ไม่ที่ตั้งกายยังอยู่จิตยังอยู่ไมนะมันกเกิดดับดับเกิดดับดับถ้าเราจิตเป็นธรรมแล้ว ทำเป็นจิตแล้วก็มีค่าแต่เมื่อกันสุกกระทุกขมันไม่เที่ยงมัมีค่าแต่เมือกันแหละแต่ว่าจิตเรามันลําเอียงรักสุกเกียรทุกเนี่ชอบอันหนึ่งเกียดติอันหนึ่งแต่จริงๆแล้วมันมีค่าแต่เมื่อกันเนี่ยสุกทุกอะมันเกิดดับเกิดดับฮะมันไม่เที่ยงเหมือนกันทุกข์ก็ไม่เที่ยงสุ ก, ก็ไม่เที่ยงเป็งั้นงั้นเราเรียนรู้ธรรมะเนี่ยภาคปฏิบัตินเนี่ยเราเข้าไปดูไปศึกษาจะเห็นความเป็นจริงเนี่ยมันก็ทำให้เบื่อหน่ายไปยึดก็ไม่ได้ไปเอาก็ไม่ได้ พอจะพระธรรมเขาเป็นอยู่อย่างนั้นพระธรรมเขาเป็นอยู่อย่างนั้นไอจิตนี่เป็นหลงเลยไปยึดฉันะนว่าอุปทานไงปยึดมั่นถือมันแลมันเป็นทุกข์ทางจิตใจขึ้นมาอีกอ่างกายนี่ก็ทุกข์เป็นของจริงมันอยู่แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันเป็นของจริงอยู่แล้วเป็นของจริงเลยนะทุกของอังอ ร, ริสัจจังในอริสัจจะต้องศึกษาต้องกําหนดรู้ต้องมาศึกษามากําหนดรู้ว่าเกิดขึ้นยังไงตั้งอยู่ยังไงเป็นไปอย่างที่ที่บายไปแล้วนี่แหละแล้วก็จะเข้าใงความจริงพอไปละไปละเลย เวลาตัวสมุทัยตัวความอยากนะอยากเป็นนั่นอยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นนี่ตัวเนี้ยเป็นเหตุหลงเป็นเหตุทุกข์ท่านถือว่าปหานะภาษาบาลีปหานะละเสียเออยียีนะคือปหาหนะเนี่ปะปะหาน<ป>เราต้องสาระเราได้สาระแล้วในในใ น, ในในในในธรรมจักเนี่ะเจ้าพูดที่เราสวดไปนั่นเนี่แต่ว่าเราไม่รู้คําแปลไง เรื่อนี้โลดนี้โลดความดับทุกข์ต้องทําให้แจ้งเราได้ทําให้แจ้งแล้วที่จะให้แจ้งได้ไงก็ต้องมาที่พัฒนาต้องมาพิจารณาอย่างที่อธิบายไปแล้วนี่แหละมาขยายความจันยังเห็นเนยธรรมะวิจัยนะมิจัยยังเห็นชัดเออเห็นหนึ่งกันนึ่งเป็นดินเป็นน้าําเป็นลมเป็นไฟไม่ใช่หญิงใช่ชายจะจั ด, ด, ดบุคคลไปเอาก็ไม่ได้เนี่ยเขาไม่รู้จิตยังรู้อันนั้นไม่รู้เนี่ยเกิดขึ้ น, น เ, กเกิดดับไปเกิดดับเกิดดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนะี่ย ตั้งอยู่คือแก่นั่นแหละมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันน่นะไปเห็นเองแล้วเอาตรงไหนล่ะไปเอาตรงไหนล่ะจะไปเอาตรงไหนล่ะอันนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดทั่วทุกดินแดนแล้วนั่นน่ะใครจึงบอกแล้วยังไงถ้าใครได้วิชาไหนก็ตามอ้ให้มันมาแก้มันแก่จะตายเนี่ยไม่วิตเเลิศหรอกแต่วิชาพระเจ้ามันแก้ได้พอเห็นแล้วมันจิตมันวางมันก็สุขที่จิตมันก็เป็นสุขเองมันไม่ทุกข์อ่ะมันแก้ได้จิตก็เป็นสุข ที่มันทุกเพราะอะไรเพราะมันหลงไปยึดมั่นเกินก็ต้องทุกข์ดิตัวเองมีของดียไม่ามาใช่เป็นประโยชน์เกิดไม่เป็ น, ปนมนุษย์เพราะปฏิศาณาแล้วไม่ปฏิบัติเนี่ยแต่แล้วเขาไปเจ้าขอเจ้อ้อนวอนเอานูน่นบวงสวงเอานูน่นติดจินบนเอานูน่นบูชายันเอานูน่นมันม เ, ออาามเป็นเรื่องอบัยมกเป็นเรื่องศยศาสตร์ทั้งนั้นพุทธศาสตร์สอนพอดีว่าชอบไม่ทําไม่มีเวลาไม่มีเวลาเรื่อยเวลาตายมีเวลาป่วยเจ็บมีพูดเอาขังเดียวแล้วเอเอเอาเองเห็น เออเวลาตายมีไหมต่อรองได้ไหมไม่ได้ถึงเพราะว่าไปเลยแหละนี่แหละเวลาทำบัมบีมักอ้างอย่างนี้แหละทีนี้พออ้างแล้วเร า, าว่ามันดีแก้ตัวแล้วมันดีแต่ในหลักพุทธศาสนาท่านก็ตําหนิไว้อย่างหนักหนาสหาหัสคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวเห็นไหมเออพุทธศาสนา คนที่แก้ตัวเองเป็นคนจะไายทีเดียวนะ่าจะบอกให้นะไม่ใช่เล็กน้อยนะะคนจริงมัชอบทำคนระยำมันชอบตีเห็นไหมตีนั่นตีนี่มันทำอะไรเนี่ยนี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดด่าว่านะเอาธรรมะมาพูดในขวางการแก้ตัวนั้นไม่ใช่เรื่องดีเอาธรรมะนั้นปั่นน้ำไว้อย่างหนักแต่เราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจในความเป็นจริงไงแต่แล้วมันก็มาย่าดีทําลายเจ้าของอะไเราเราแก้ตัวนั้นไปเห็นไหมเราหลักนิจจังทุกหน้าตา พอเราไม่ทําบําดีนะเนี่ยเขาก็ไม่รอเราอ่ะเขาว่าไอ้นี่อันนี้มันเสื้อเสื้อซาลารอมันจักหน่อยมีไหมมันมีวันเสาร์วันอาทิตย์ไหมมีไหมมีกลางวันกลางคืนไหมไม่มีเขาว่าคนโง่คนโง่คนฉลาดเดินเต้นทางเดียวกันเนี่ยแต่ว่าคนฉลาดมันจะได้สาระในโง่คนโง่คนอย่างที่บอกนี่ว่างเปล่าไงมันเป็นอย่างนั้นใหเราดูให้ไหมพระเจ้าสอนนั้นตรงไหนอะที่เราจะไปคัดค้านคําสอนมันได้ไม่มีอะแต่เราทําถูกมันจะคุมไปหมดเลยเหมือนลูกโซ่ พอทำผิดเนี่ยมันกว้างฝังไปเหมือนกันพอเราทำผิดเนี่ยจะลึกซึ้งไงจะตามไม่ทันนะถ้าเราไม่ปฏิบัติไปจะไม่ค้นฟ้าไม่เจอแล้วมันมาจากไหนเห็นไหมที่อธิบายฟังนี่เห็นไหมถ้าเราผิดมันจะเห็นหมันจะลามไปทุกทุกๆุกส่วนเลยแต่เราไม่รู้ว่ามันลึกอะ่ะเดี๋ยวทาถูกมันก็ลึกอีกคุ้มไปหมดเลยคุ้มไปหมดเลยเดี๋ยนะทำผิดก็ลามไปหมดทุกทิ้งทุกอย่างเลยนึกว่าไม่เกี่ยวไม่ดองเยเกี่ยวกัเกี่ยวดองหมดหรือว่าไงเกี่ยวดองไม่ดองอ่ะ เกี่ยวดองหมดเลยฮหใช่ไหมเนี่ยเนี่ยให้ฟังวันนี้นะธรรมะธรรมะแบบ ป, ป่าเนี่ยเราไปคิดพิจารณาดูด้วยนะเนี่ยไม่ไม่เอามาพูดนียไม่ได้พูดในเชื่อนะพู ด, ดนะําไปคิดดูจริงแล้วไม่จริงเนี่ยเพราะว่าที่เอามากล่าวเนี่ยมันมีหลักฐานหมดในอภิญหะก็ว่าอยู่ใช่ไหมละ่ะในพรมหมฐานเขว่าอยู่ใช่ไหมละ่ะที่เอามาพูดตรงนี้มีหลักฐานหมดนะไม่ใช่หลวงพ่อโมเมลเองอุตริว่าวเองไม่ใช่นะ แต่เพียงเราเข้าใจแล้วมาขยายความให้มันกว้างไงเราเห็นภาพว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกายวิจายใจเราตลอดคำสอนพระเจ้าเนี่เห็นไหมเราไปติดข้องเออสมมติบัญญัตินี่แหละมันทําให้เราไม่เข้าใจนียเราหึ่งไปที่ยปฏิเสธไปต่างๆนานาเห็นไหมพอไปเด็ดไปก็เกี่ยวข้องกับวันเวลาเกี่ยวข้องกับทั้งขาเราทั้งหมดทังขาเราก็ไม่รอไม่เห็นเนี่ยยักย์ยาดมันแปรไปหมดไปเหมือนน้ำไหลไปแล้วเราก็ว่างเปล่าเองความดีนะมันจึงไปผิดหลักจริยธรรมผิดหลักเหตุผล แล่วเราจะเข้าใจว่าทำไมพระเจ้าตรัสว่าแล้วแสดงยืนเนี่ยสัจธรรมสัจธรรมมันสัจจะใครได้สัจจะคนนั้นมีมีมีสาระมีเหตุไงที่ตัวเองได้บำเพ็ญนครับผิดสัจจะตัเองก็ไม่ได้บําเพ็ญเหมือนใช่ไหมล่ะแล้วจะไม่เอาผลมาจากไหนครับผิดสัจจะแล้วฟ้านําเดียวทั้งนั้นชีวิตเป็นหมันหมดเป็นโมฆะหมดถ้าใครได้เห็นสัจจะคนนั้นก็ได้สาราได้ประโยชน์เพราะตัวเองเชื่อก็ทําตามทำตามสร้างติเหตุด้วยความดีถึงไม่ถึงที่ฟังก็มันก็มักสะสมสะสม เป็นวัฒานาบาลมีเนะพราถูกมันมันมาใบกระบุกแบบเราไม่รู้ตัวเหมือนกันเห็นไหมล่ะมันละเอียดอย่ว่าเรังกรรมเนี่เป็นเรื่องลึกลับเข้าใจยากมละเอียดอยู่เอามาเอามาถลันในมาพูดไปไหลายแง่ให้กว้างขวางให้เห็นภาพนะเรื่งกรรมที่เราเนี่ย น, นี่สิบุคคล้วมันไม่อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ในตัวเราทั้งหมดเนี่ยพุทธศาสนานั้นน่ะอย่าไปเข้าใจว่าพุทธศาสนาอยู่ที่อื่นที่ไกลเรานี่ย น, น่ยเป็นเจ้าของพอเราพูดแล้วเรามาพุทธปฏิบัติ ศาสนาก็จะเดินในกายวิจารใจเราเราก็ได้พึ่งในอาศัยได้พึ่งอาศัยของเราลึกเราก็มีความสุขกิ่มใจเบื่องแวนใจร่างกายจะแตกลงเมื่อไรเราก็ไม่จะทกททานไม่กลัวว่าเราจะไปพบที่ไม่พึงปรารถนาไม่ใช่แบบเขาตายแล้วเขาถามเขาทําหาอยู่ไหนนาอยู่ใน น, า, ใ น, น, า, ก า, น า, ากุศลธรรมเจ้าไปอยู่ในนาเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ใช่ไหมไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ทีนี้เห็นไหมทีนี้เขาถามปัญหาอีกนะนี่ไปแจะพูดไหอีกห้าอย่าง เรามาเกิดนี่เรามาเรามาจากไหนเรารู้ยังเรามาเนี่ยแล้วออกจากนี่เราจะไปไหนรู้ยังรู้ยังยังไม่รู้ที่เห็นมัยังไม่รู้รอลาอย่างนี่พระเจ้าสอนหมดนะจะบอกให้นะไม่พูดตัวเองนะเนี่ยเนี่ยมีปัญหาถามไม่ใช่มาจากท้องแม่ไม่ใช่นะภพภูมินี่เรามาเกิดในนี้เขาท้องแม่เรามาจากภพชั้นไหนเนี่ยถ้าออกจากภพนี้มนุษย์เราจะไปไหนเรารู้ยัง จะไปมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือว่าเป็นนรกอะไรเรารู้อย่งางสติสติจารย์เราเขยังไม่รู้อย่างเงี้ยไอแต่ฐานที่รู้ยังอะที่ตายอ่ะลงยาวบานกลางถนนวิ <c oughs> ือในทะเลหรือนเคื่องบินรู้ยังอ่ะเวลาเช้าสายใบเย็นรู้ยังอเฮ้อโรคอะไรรู้ยังแก่ตายไหมหรือว่า <c oughs> ยังไม่รู้เลยนะไม่รู้ให้รขาอย่างนี้บุตรชนอ่ะ พระธรรมเจ้าพูดไม่มดทุกอย่างเลยถ้าเราไปศึกษาคําสอนพระเจ้าโอ้โหอัจฉริยในตาราเรื่มไหนไม่เคยบอกละเอียดปานนี้พอเราเนี่ยเราเห็นภาพเลยเห็นภยันภยในวัะสงสารเลยนี่เรามาเจอคําสอนที่เลือ่อนเลื่ประเจิดโชคดีมากๆแล้วก็มีศรัทธาความเลื่อมใสรานพิสปฏิบัติอุตสาหะไปเนี่ยทําได้ตามกําลังของเราเนี่ยสุดยอดนะว่าถูกทางไงเนี่ยว่าอยู่ในกระแส รู้จักไม่อยู่ในกระแสําว่ากระแสเนี่ย uh huh. ต้องละเอียดอีกอธิบายกระแสคือว่าบนทางของมรรคเราเข้าในกระแสของมรรคมันเพราะยังมีมีมรรคแล้วก็มีผลไงเราดูดีแล้วแบบพนตัดไว้ในแต่กคุณเห็นไหมโซดามรรคโซดาผลมรรคกําลังกําลังเดินทางกําลังทําอยู่พอถึงที่หมายจําเร็จเนี่ยเป็นผลภาชะได้จาักรยุิธิ์ศรีรัตถะวิจิตริจัยใช่ไหม พอได้ได้ปั๊บมันเกิเป็นผลขึ้นมาเรากําลังล่อยู่กําลังทําอยู่นี่เป็นมรรคเนี่อยู่ในกระแสแล้วนี่เอนี่ยในกระแสของมรรคแล้วอุ่นใจไม่ออกจากนอกกระแส <c oughs> เอาเรื่องจริงต้องไปคิดนะภาษาสมมติที่ท่านเสือไหมเราจะไม่รู้ว่าพูดตัดมาแล้วมันเกี่ยวข้องกับเราอยู่ตรงไหนขั้นไหนนี่เราก็ไม่รู้ไงเนีย่ยเราเข้ามาอยู่ในนี้แล้วมันเนี่ยมันพูดไม่ตั้งกคุณดิตัวดามรรคตัวดาผล สกิทาคามักสกิมันนั่นกรรมมรรคาอะไรงมันบันเทาพอเด็ดขาดนู่นไปอยู่ทังอนาคามีกรรมเด็ดขาดไปเห็นรูปแล้วก็ไม่รักไม่จังจิตมันเฉยนิ่งไม่มีความกร ะ, ะเพื่อมอะไรอย่างเงี้ยถ้าฐันนี่ถาถาไม่กระเพื่อมจิตก็ไม่กระเพื่อไม่รักไม่จังนี้มีกิเลสเบื้องบนอีกห้าลปราคาลุ ป, ปราคะมนต อ, อทิฏฐิแล้วก็อภิชานั่นะพอละได้นะ ก, ก็จะเป็นพาาระอรหันต์อีกห้าเมื่อตามนี้มันห้าหนึ่งห้ามันสิบไง พล้ได้กัเป็นผลมรรคสี่ผลสี่นิพพานมีหนึ่งจิตมันเป็นหนึ่งเอกรังธรรมังนี่เรียกว่ารวมมาเป็นหนึ่งเป็นสามัคคีนะอย่างถ้าเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญายังไม่สาเร็จเพราะศิลสมาธิปัญญารวมเป็นหนึ่งมรรคสามัคคีรวมเป็นหนึ่งสำเร็จเป็นพลังเพราะน่ะคนที่แบบพึ่งธรรมะนี่คนนี่ในเมืองนี่สามัคคีกันเนี่ยนะเป็นหนึ่งอย่างเงี้ยใครก็มาลุกรานไม่ได้มันมีตัวอย่างมาแล้วลิธชวี ลิทธิวีนี่อาชาติตะทูยกไปตีทั้งสามครั้งนะไปตีไม่แตกนะไปตีไม่แตกตีทําได้หลายก็ไม่แตกต้องมาถามพระพุทธเจ้าอ่ะทําไมไปตีลทธิวีนี่ไม่แตกพระเจ้าไปบอกได้งไงให้เขาไปตีอยู่ก <c oughs> ็เดี๋ยวมาถามแล้วท่านก็มีอุบายเหมือนกันนะก็หันไปถามพระอนุลอ น, นุลิทธิวียัยงกระพือศาลานินายธรรมอยู่หรือเปล่ายังกระพืออยู่พระเจ้าข่าอาชา ต, าติตะทูรู้เลยยกทัพกลับเลย ไปตีไม่แตกเพราะเขายัางบะพฤติไอ้ไอไนนะี้อยู่พมมากี่ครั้งก็ไม่แตกต้องทํากุศลบายทรงไอ้นั้นเนี่ยว่าจะรับพามไปไปยุไปแย่เขาไม่ขอรบในผู้ใหญ่ไม่มีสินบะพืชในวิสินในธรรมอะไรเงี้ยเกิดกิเลสตัณหาแตกขาเมื่อคีกันเลยพอได้ที่ยกทัพไปตีเหล็กร้านหมดเลยนั่นประวัติาศาสตร์มันมีในพุทธศาสน า, ษาในคำตัวฮัทปัตย์เบดดงนี่แหละก็ยังมีอยู่ในพะระพุทธเจ้าก็ยังะทำํำกาชับอยู่เหมือนกันนะ ให้พระเนี่ยให้ประชุมกันนึนิดให้ความเขาร็ลบใผู้ใหญ่ไม่มรูกก้คำน่าในความยากอะไรนี้ถ้าใครพิดอยู่นี่ศาสนาท่านจ ะ, จะเจริญอยู่ตลอดเวลาจะไม่เสื่อมเลยอย่างนี้พระสงฆ์แต่ตะว่าคี้กันอยู่ตลอดจะจงดงามนี่เพิ่งอยู่สารานี้จะทําเนี่ยเป็นบทจนมนุ์อยู่นี่นีปก็เทศไปดูได้นะเพราะนั้นให้เราเข้าใจพุทธศาสนาที่เราเพิ่งปฏิบัติที่เพิ่งกล่าวมานี่ไม่ได้อยู่นอกเมฆท้องหมอกที่ไหน เป็นเสื้อทำประกาศความจริงของปั้งตัวหน้าต่ตาเนี่แหละเหมือนเช่นปอมบังุกเขาพอเราไม่เข้าใจเอาขึ้นไปเรื่องไกลตัวเสร็จแล้วเราก็มองข้ามตัวเราเองไปแล้วก็เป็นโรคดีแต่งดีสร้านไปทั่วตรงนั้นจะดีไทไ่ปลายจุดลาภะเขียวมันก็ไม่ดีอเพราะใจเรามันไม่ดีเราบำรุงไม่ถูกที่เนี่ยบำรุงไม่ถูกที่บำรุงกา ย, ว, าายวิจัยใจเราอะไรเป็นตัวเราของกษัตริยอะไรดีก็ทําตามนั้นเสียมีทานมีจีนภาวนาเ น, นี่ยสามอย่างจับหลักให้มัน่นอย่าวัแวแหวอย่าง้อเว้นวันไหว จับให้หนะ้าจมูเบาใครกลับไปบ้านเนื้อใครจมูกเดาจหูเบาแล้วก็ไปหาตุ้มหมูหนักๆมาใส่ถวงไว้นะใคว่า <c oughs> ไปเลยเนอะได้ยินบอเพราะว่ารักษามั่นคงรักษาเรื่องเหล่านี้ให้มั่นคงแล้วก็จะพิเศษวิสุทธิเกิดจากหลักอ น, นี้แหละไม่มาจากหลักอื่นครูบาอาจารย์ที่บริสุทธ์ก็มาจากศีลธรรที่ปัญญานี่แหละแต่ว่าเวลาสอนญาติโยมว่าแต่เบื้องต้นทานศีลภาวนา ก็สอนพระศีลสมาธิปัญญาเพราะเหตุใดรูด้ไหมเพราะอย่างนี้อยาอธิบายกว้างคือญาติโยมเนี่อย่างติดอย่างคล้องวัตถุไม่ต้องหาอย่างผ้านี่สละนั้นมาแล้วเห็นไม่ได้หาแล้วเห็นไม่แล้วจะมาขั้นยาบมาแล้วดิธรรมดาต้องหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงนุ่งหงอยเห็นไหมอันนี้เขาถวายหมดข้าวก็เลี้ยงหมดไม่เหโยมเลี้ยงหมดเพราะนั้นเพราะนั้นไม่ต้องสอนเรื่องนั้นแล้วมันละเอียดมาแล้วจึงสอนศีลเลยให้ละเอียดมาอีกศีลนี่ตัวนี้ก็ให้หมันกันนะ่ะ ให้อย่างปรมัดละอียดเลยให้ชีวิตให้ความปลอดภัยไงไม่ค่าไงใช่ไหมให้ชีวิตไหมล่ะให้ให้อธินาไม่รักอ่ะให้ความปลอดภัยแก่ทรัพย์ให้ไหมไม่รักก็ก็ให้ความปลอดภัยให้ความปลอดภัยแก่เพศใช่ไหมไว้ใจได้มีดินตามไว้ใจได้เห็นไหมล่ะมันละเอียดเหมืกันนะไม่ได้หยาบแบบนั้นแล้วไงเพราะนั้นมาสอนยังว่าศีลวิปิปัญญาเอ๊ะมันมาสอนพลาไมไม่พูดทานอะไร คนจะอาจจะไปคิดไปได้อะอย่างนั้นธรรมดาถ้าไม่เป็นพระก็กต้องหาทั้งบัตรใช่ไหมละ่ะตื่นเตาแล้วเรื่องอาทั้งบัตรใช่ไหมได้กินได้อยู่ในนุ่งในห่มเพราะร่างกายมันไม่เที่ยงมันต้องใช้ต้องสอยใช่ไหมอันนี้ละมาแล้วนี่ต้องนุ่งก็ยมบริจาคให้ถะไบให้ข้ า, าวก็ะตะไบใอที่ว่าะไ่ก็ตะไบไห้ใช่ไหมแล้วรักษาโรคเจ็บป่วยก็ดูแลให้อะไรอย่างนี้แล้วก็ไม่นั่นแหะพระจึงทา แตกต่างชาติยงออกไปที่โยมทำไม่ได้ถ้าทาได้เสมอยโยงโยงกังไปกราบมาไหวอะไรเล่าใช่ไมพราะทำไม่ได้นั่นแหละเขายังกราบไหวนัต้องต้องหลุมระวังตัวเองอันนี้เพราะอะไในร่างตายนี้ไจะมากราบไหวคุณทำความดีใช่ไหไปดีวติดีไปชอบต่จริงๆเราเห็นในนี่อยากมีจะขี้ด้เยี่ยวจะมากราบอะไรกันเล่าฮะฮะไม่มีพระก็ไม่มีขี้ม่เยี่ยวเลมีขี้มีเยี่ยวเต็มเลยขี้หูขี้ตาขี้กวั ขี้เหงื่ kay. อกี้ไครจะกลับอะไรกันเล่ามา่ได้กลับที่คุณธรรมกันยท่านปฏิบัตชอบไงที่เราทําไม่ได้นั่นแหละใครเรามาถึงทํามันไม่บิยดเบียนก่อนบุคคลนั้นพูดเจริญพระเจ้าเลยไม่แต่พ่อแม่เห็นไหมกับลูกอ่ะถ้าลูกพอมาถึงทำมันนี้พ่อแม่เลยต้องกลับลูกธรรมดาลูกต้องกลับพ่อแม่เดี๋ยวเพิ่งทำมันไม่บียดเบียนก่อนเนี่ยเป็นพูดเจริญนั่นไม่เพิ่นไระใดเอาอายุมากอายุน้อยเอาถึงทําที่ไม่เบียดเบียนเป็นใหญ่ เพะัอัยาปัจฉังสุ่ขั้งโลเกความไม่เบียดเบียนจึงเป็นสุขในโลกหรือว่าไงหรือว่าครจะเถียงอีกฮะที่ไม่สุเห็นไหมเป็นเรื่องใหญ่เลยหรือว่าไงจริงไหมดูด้เบียดเบียนทั้งหมดนะขึ้นตามพระเจ้าเนี่เบียดเบียนี่เอาไม่เชื่อเหรอเนื้อปากทองเรานี่แหละปลาตายเท่าไหร่มาลอมาดูเลยไก่เอ้ยหมูเอ้ย <c oughs> อกุ้งเอ้ยหอยเอ้ยอะไรเงี้ย เย<ฮะ>ยังลักยังช่ยอยังโกงยังเอารลัดเอาเปรียบกันอีกอเห็นหละ่ะนี่เรืงปากหลื่องท้อนี่นมีแต่เรื่องเบียดเบียนกันทั้งหมดเลยนะจะให้บทศิวท์ทำเนะี่ยเพราะนั้นะมักเมืองแปดมันจึงมีอาชีพ อ, อ, อาชีวะชอบนะการงานชอบเห็นไหการงานที่ไม่ไม่เป็นมิจฉาอาชีวะไม่ค้ายยาพิษไม่ใช่ยาเบื่อไม่ละตุลาให้ได้ทรัพย์นั้นมาเมล็ดธาตุขันเนะี่ยมันละเอียดในขนาดนั้นนะแต่เราไม่รู้่มันอยู่ในมักเมงแปดเฮะ หรือว่าไงเข้าใจไหมทีนี้เห็นภาพยังคือมันท่าพูดแต่เราต้องคิดลงลึกถ้าเราไปพูดเอาแต่เรื่องล้วนเราเลยเข้าใจยากเออมาหาสาเหตุเพราะอะไรเพราะอะไรเพราแล้วจะเห็นโอมันเป็นอย่างนี้เองเนี่ยากท้องเนี่ยถ้าสงสารนะชีวิตจริงๆเห็นไหมเราไม่ถูกกระทําเราไม่รู้นะแต่ถูกกระทําำเราเราจะรู้สึกแต่ว่าสัตว์นุกเนี้ยมันขี้เบียดเบียนกันอย่างนี้มันจึงในสังสารวัตมันจึงเป็นพันกันเนี่ยเป็นเวรเป็นภัยนี่อะไรกันเนี่ย แต่ว่าเวรย่อมครับในการไม่จองเวรเวรครับในการจองเวรไม่มีในที่ไหนไหๆพอถูกกระทำมันก็จองเวรกันผูกกันมาเรื่อยๆมีอำนาจน้อยกามีอำนาจมากบังแกนอนาน้อมันก็วนอย่างเงี้ยเนี่ยวัตรวนเนี่ยหังสารวัตมันวนอยู่อย่างเงี้ยเราทําได้เลยที่บอกอ่ะทำแล้วนานวันเราก็ลืมแต่กรรมมันไม่ลืมเหมือนถึงเวลามันให้ผลให้ผลมันยิงยาวนานสังสารวัตเนี่ยมันยิงยาวนานเพราะฉะนั้นเรามาพบธรรมวิปัสสนาเนี่ยเป็นตัวตัด ตบันมันทอนในสั้นเั้ามาท่านเข้ามาสังสาวัฏในสั้นเข้ามาถึงไม่ถึงที่จุดเพราะสั้นเข้ามาการเกิดของเราก็มีคุณภาพไม่งั้นการเกิดเราไม่มีคุณภาพเลยพอไปถูกยากแล้วเราลำบากแล้วไม่มีใครไปช่วยเราได้แต่บุญกุศลเนี่ยช่วยได้ตามรักษาพิบาลเนี่ยเพราะนั่นคนพระเจ้าบอกคนที่เดินทางในวัฏสงสารต้องมีบุญเป็นเพื่อนสองจึงจะปลอดภัย คนเดินทางในโลกต้องมีเพื่อนเป็นเพื่อนสองจึงจะ อ, อ, อบอุ่นเดินทางคนเดียวบ้าเวไม่ในะมีเพื่อนคุยเพื่อนปรึกษาเพื่อนช่วยเหลือแต่ถ้ามีเพื่อนไปด้วยอบอุ่นขึ้นมาไม่ไม่ไม่วันไหวท่านเปรียบเทียบมาเลยนะพระเจ้าพอเดินทางเนี่ยนพะพอเราหมดลมแล้วไม่มีใครไปด้วยสมบัติสชิ้นก็ไปไปมีลูกก็ไปไปด้วยมีผัวก็ไม่ปด้วยมีเมียก็ไม่ไปไปด้วยไปใครไม่วันแต่บุญกุศลนี่ไม่ทิ้งไม่ไม่ทอดทิ้ง ตามรักษาอธิบาลท่านจึงพว่ามีบุญและบาปย่อมติดตามคนนั้นไปเหมือนเงาตามตัวไม่ใช่ไหยืนยันไว้ขนาดนั้นเพราะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยท่านจึงสองนให้ทำคุณธรรมดีไว้เป็นประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้ า, าในโลกนี้ก็มีความสุขโลกหน้าก็มีความสุขเนี่ยคนนั้นจะมีมีสาระมีเก่นสาราวันนี้ได้ยินธรรมะพระป่าอธิบายไปแล้ว อ็คงจะได้นําเป็นข้อคิดนําไปคิดนําไปนึกแล้วปฏิบัติกายวิจาใจของเราเนี่ยนะให้เป็นไปธรรมะคาสั่งสอนแต่นี้ต่อไปพวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตามที่เราปรารถนาตามที่เราต้องการไม่เหลือวิสัยอยู่ในอํานาจของคุณพระจีนตะไตยต่ยตอ น, นี้ไปก็จมีแต่ความสุขความเจริญโดยอํานาจของคุณพระศีนตะไต่จงปกปังรักษาของเราให้มีความสุขให้เป็นสัมมาทิฏฐินะ อยังไม่หมดกิเลสนี่แหละให้มีธรรมนิสติถ้าเรต้องเกิดพบใดชาติใดอยู่ก็ให้เป็นธรรมนิสติขึ้นชื่อว่าทรัพสมบัติในโลกนะครับว่าไม่มีไม่ได้ไม่เคยพบเคยเห็นให้มีแล้วก็ได้สมบัตินายจงทุกประการเธอ